อ่าตั้งใจฟังหน่อยแต่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะให้เจริญส ต, ติไปเพราะว่าที่เล่าวันนี้ก็いいいงคงไม่มีอะไรมากคือบรรยากาศแบบนี้น <solche. S 2> ี่ทาให้บางครั้งก็ทำให้นึกถึงตอนที่ไปจำพรรษาที่ประเทศอังกฤษนะประเทศอังกฤษนี่อากาศครึ้มบ่อยแล้วก็ฝนตกพรำนี่เป็นประจำอาตมาเมื่อสัก23ปีก่อนไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอมรวดีซึ่งเป็นวัดของ หลวงพ่อสุเมธโธ ท, ท่านเป็นเจ้าวาดัดหลวงพ่อสุเมธโธนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาจะเรียกว่าวัดอมรบาีนี่เป็นเรียกว่าสายของหลวงพ่อชาสายนองพระพงษ์ก็ได้บรรยากาศหรือประสบการณ์หนึงที่ประทับใจที่วัดอมรวดีก็คือตอนไปนบินธบาต ท, ที่นั่นนี่บินธบาต ท, ทุกวันนะหรือว่าแทบทุกวันไม่เหมือนกับวัดไทยในต่างประเทศนะไม่ค่อยบินธบาตกัน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 มันมีสเสน่ห์เพราะว่ามีสิงสาราสตร์ให้เห็นอยู่เป็นประจำบินท บ, บายนี่ก็บางทีก็เจอกวางเจอกวางกวางเขาถูกปล่อยให้เลี้ยงให้อยู่กินตามธรรมชาติขนาดว่าป่านี่ ก, นะ ก, ก, ก็ไม่ได้อยู่ไกลเมืองนะอยู่ติดกับเมืองเลยเมืองเบอร์คแฮมสเตดแล้วก็เบคแฮมสเตก็ไม่ได้อยู่ไกลจากลอนดอนเท่าไหร่จริงจริงแม้แต่ลอนดอนเองนี่ก็มันก็มีป่าอยู่ใกล้ๆลนะคนก็เจอจิ้งจอกเป็นประจำบางทีก็เจอหมี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 ระหว่างทางอาจจะมีคนเห็นเห็นพระมาแล้วเขารวบพระมาบินธบาตเเขาก็อาจจะถวายอาหารถวายขนมแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่เราเราจะไปไปรับบาตรจากบ้านที่เขาประารณาไว้อยู่แล้วเข้าไปในบ้านเขาเขาก็เอาอาหารมาอาหารน้อ ย, อยเล็กๆมาถวายนะประเดิมก่อนเช่นดิสกิตมั่งครัวซองบั่งหรือว่าพวกชากาแฟแล้วก็สนทนากัน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 ที่วัดอมารวดีนี่เขาก็ฉันมื้อเดียวนะแต่และมื้อครึ่งก็ไดนะ้ตอนเช้าก็ฉันฉันประเภทพวกข้าวโอ๊ตนะฉันข้าโอนะ๊ต ข, ข้าต้มแบบของเขาอะ่ะเรียกว่ารองท้องแล้วก็มาฉันอีกทีจริงๆก็คือตอนเพนถ้าเป็นเมืองไทยวัดที่ฉันมื้อเดียวเขาจะฉันประมาณสายๆหน่อยเก้าโมงสิโมงนะแต่ว่าอมารดีก็11บเอโมงก็มีโย ม, มาถวายอาหารนะทางวัดก็ทําเพิ่มได้ อันนี้ประสบการณ์การบินทบาทของ อ, อัตมาที่วัดอมรวดีหรือว่าที่ต่างประเทศนี้ก็เรียกว่ามันแตกต่างกาบเมืองไทยเยอะนะแล้วก็มีทั้งความสบายและความลําบากข้อหน้าหนาวนี่มันก็หนาวมากๆนะเวลาบินทบาทนี่ไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ถอดรองเท้าต้องใส่รองเท้าเพราะว่าต้องเดินผ่านทุ่งหญ้าผ่านป่าผ่านไรนะ่ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่บางทีต้องใส่ใส่รองเท้าบู๊ตเลยนะเพราะว่ามันมีเกล็ด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 แสดงความเคารพ น, นอบน้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า น, นี่มันก็ประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะไม่รู้ตอนนี้เป็นยางไรก็คิดว่าคงจะคล้ายๆของเดิมเพราะว่าพุทธศาสนาในอังกฤษตอนนี้ก็ได้รับความยอมรับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะก็รอเป็นเกรดนะเตรียมรับพร